จริงๆแล้วสุดยอดการสอนคือไม่สอนนะ <c oughs> คุณอยู่ของผมคุณจะรู้เลยเหมือนที่พวกคูนแก่งคอยหรือที่ไรที่อยู่กับผมสุดยอดเรียนคือไม่ต้องเรียนอ่ะจริงๆนะสุดย <ๆ S 2> <นะ S 1> อดของการทำ learning all เลยก็คือลอกเขาคือสิ่งที่ญี่ปุ่นทำมาก่อน <c oughs> คุณเป็นประเทศคุณเลืไอยถอยไปแล้สี่สิบปีเด็คุณเป็นญี่ปุ่นเนี่ยทไมคุณจะไล่หลังเมกันทัน <c oughs> ว่าทำ learning organizer เหรอว่าทำ learning center ชาดหน้าใบายเสร็จเริ่มต้นเริ่มต้นแรกกรอกกรอบก่อนบพะกอบกออสักพักหนึงเนี่ยสีครั้งแล้วคุณก็จะเข้าใจแต่สุดยอดของการเรียนรู้งานแรกเลยคุณต้องทำพวกประเภทแบบ reverse engineer ขโมย know how มาก่อนส่งพวกคุณไปเนี่ยไปอยู่เมกานะไปอยู่ญี่ปุ่นถ้าขโมย know how อับมาได้ปะ นี่เร็วกว่านะนี่ผู้หางผมทงานอยู่นาซ่นะผบอกตรงๆเลยว่างานนี้จีนแดงก็เริ่มเราเหมือนกันเครื่องบินรของพวกเรามีบินผ่านฝาไหหลาเนี่ยไอจีนแดงเครื่อเชียวปิกเครื่องบินสื่อสารของเราลาไม่มีโนฮาวเพียบเลยแท็กเจอจีนแดงเราไ้ฟากลงกีล่เกาะไหหลำแค่นี้ผมเสรนะ็จแล้วเข้าใจยังดนั้นจีนแดงมึงไล่หลังเราเร็มเรวมากแล้วเสียสงสัยลับเข้ามาในนาซ่าผมเยอะมากจับได้เรื่อยๆ ดูทั้พวกเราเองขายโน้ตฮาวด้วยเข้าใจไหมนะอันแรกเลยนะให้เข้าใจนี้ก่อนงานแรกเลยสุดยอดเรียนเลยพวเองไล่ไม่ทันหลับสมองพวกมึงแม่งได้ถึงจุดจุดหนึ่งแค่ไหคุณไล่สิ่งนี้เขาสร้างสมมตมาไม่ทันโน้ตฮาวมากกจะขุดทั้งหมดเลยอีกอีกที่ไม่กี่ปีโน้ตฮาวอาจจะเปลี่ยนทุกคนเป็นนิวเจอร์ซียใช่ไหมไปไปเอาของใหม่ๆกลับมาดังั้นสุดยอดการเรียนขั้นแรกเลยก็คือรอก มันต้องถามตัวคุณเองว่าคุณเอ่านเจอร์เนอรเยอะขนาดไหนคบคนเยอะขนาดไหนมีเพื่อนต่างประเทศเปล่าเสือคิดเองไอออนมุมกายเปกบในกาลาระยานในคิดเองนะเมื่งตายหามาเยอะแล้วงานแรกของการเรียนรู้เลยก็คุณต้องต้องอย่างเงี้ยนะเข้าใจไหมทีนี้ในการเรียนอย่างนี้เนี่ยพวกคุณก็มีนิสัยต่างกัน บางคนก็ชอบจดบางคนไม่ชอบจดนะบางครั้งผมก็กาหน ด, ดมิสเตอร์จดเอไว้หนึ่งคนเหมือนสอนนิจุลานะเดียผมสอนวิสมาจุลาเนี่ยพวกมไม่ต้องจดกันนะอาจารย์ผู้มืสุภาพไม่โทษทีนะ น, นี่สายผมเป็นยังไงพวกเองไม่ต้องจดกันหาคนจดมาหนึ่งคนหญิงนั่งหน้าชายรอซีหล อ, อกอเคยเจอปะอ่ะอ่าใครมือจดไหนหนึ่งนผู้หญิงนะมือจดนะ ผู้หญิงจัดนะผู้หญิงจัดใครจะเป็นมือสรุปทั้งห้องน เ, นเนี้ยใครเป็นเดอะเบสสรุปมิสเตอร์สรุปเนี่ยกดข้อที่หนึ่งของการเรียนรู้เลยครับถ้ารู้ว่าตัวเองจุดอ่อนคือสรุปไม่เป็นนะครับคุณต้องเรียนเป็นทีมจดบลปนะอันที่หนึ่งนะจดนาไอ้หนูมือจดหนึ่งสุดยอดเรียนคือลอกขโมยเบอร์ที่สอง รู้สันดานตัวเองแล้วก็เรียนเป็นทีมจ้ะใครจะเป็นมือสรุป 9-11 เด่นตายเรืบางคนนึงเรื่อบางคนนึ่ ง, นนงจะกล้าหน่อยแน่ <S <S หลังสุดสรุปแล้วฮะหลังสุด 9-11 ใช่ไนะไอ้แว๊กใส่บรุปนะพี่ส่แบ๊นะพี่สรุปไม่ได้นะเพราะผมสอนเลไรไปนะประมาณครึ่งชั่วโมงเอง้ยกลัวเดี๋ยวเปลี่ยนคน อยกดข้อที่หนึ่งย น, นะถ้าเราไม่ใช่เสียนสรุปเน่ยคุณคุณเสร็จเลยคุณอย่าคิดว่าเรื่องการเรียนรู้เนี่ยจะเริ่มต้นในการเรียนนะมันต้เริ่มเริ่มในการที่จะกันกรองเริ่มด้วยยุทธศาสตร์ก่อนยุทธศาสตร์ในการเรียนรู้คุณจะกำหนดยุทธศาสตร์การเรียนรู้คุณต้องเหมือนซุนม่มูคุณรู้ตัวคนเองก่อนว่าสันดานคุณเป็นคนแบบไหนผมเนี่ยเมื่อก่อนเรียนไม่เก่งเพ่าออไหร่รู้ไหม ติดสันดานจดแหลกเลยเนี่ยจะเป็นเหมือนอย่างนี้น ย, ยจดที่มาโจดโจดโ จ, ด จ, ด จ, ดจด ค, คืออะไรรู้ป่ะพอพอจดมากๆเว้ยมันได้เป็นเซียนจดพอคุณเป็นเซียนจดคุณไม่ได้เป็นเซียนคิดตามอาจารย์แล้วถึงเวลาสอบมาคุณก็คิดว่าสักวันหนึ่งกูจะไปอ่านมึง <c oughs> ตายตายลูกเดียวยุทธศาสต ร, ร์อีโดยุทธศาสตร์อ่ะดูนะเริ่ม ง, งานแรกเลยนะ อาจารย์สันดาลอย่างเงี้ยเนี่ยอาจารย์ที่สอนอย่างเงี้ยสันดาลอย่างเงี้ยคุณนยวานทิ่ศาสตร์ไงที่จะเรียนกับผมไม่ได้เดอะเบสออกไปจากผมที่สุดคนอย่างเงี้ยคุณต้องวิเคราะห์คนอย่างนี้นนถ้าน้วันนี้เปลี่ยนเป็นอาจารย์สุขุมเนืองสกุลมานั่งคุณจะเรียนยังไงเปลีป่ยนอาจารผสมอาจารย์ผมมาคุณทําไงอาจาผสมมาพวกมึงก็ขอหวยอย่างเดียวเลยฉันจะตัดชมเผมอะตายแล้วใช่ไหม ตายเขาหลักนี่ยเหอไหมคุณระหว่างยุทศาสตร์นะผมว่าสิ่งแรกที่คนไทยขาดกันอย่างแรงแนละ้ไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณอ่อนวิชาที่ชื่อซุนวูซุนจืเคยเรียนไหมเห็นไมไม่เคยเรียนแล้วนี่งเป็นโรยประคายงานแรวมังก็ตายแล้วนะยังสมัยก่อนเนี่ยสมัยคมพระาชวังบรงวรเนี่ย ร่วมรบกับพระเจ้าตับสิงในบรัชกาลที่หนึ่งคุณว่าสมัยนั้นอ่านสามฟกหมอ่านไหโคตรอ่านเลยไม่อ่านจะสู้ข้าวมาได้ไงถูอว่าไม่ได้อ่านกับไอกองัพข้าวมาได้ไงเอาไยังไม่มีอ่ถุยถหนุม迦雅ให้ได้ไปเมื่อเป็นยังไงอ่อ่าเออใช้ได้เริ่มเรียนนิ่ แล้วก็เจอหนูไม่รู้ทํายังไงนี่เขารู้ถ้าไม่รู้สุดยอดเรียนถ้าไม่รู้นะในห้องนี้ใครแม่งรู้ไม่ต้องรู้ทุกเรื่องแล้วเว้ยการเรียนรู้เสือจําทุกเรื่องแล้ไงหาใค้างเจอครับรเใครเก่งเรื่องรวมทำงานเป็นทีมเข้าใจง่ายทำงานเป็นทีมทํางานเป็นทีมจริงๆรู้ฟูปีนี้คุณปล่อยไปก่อนนะเพราะว่าสไตล์ของราฟาบบิเตสเนี่ยปีแรกคุณต้องให้เขาไปก่อนจะลาฟาไหมา เป็นผ hand like I mean, right? right ู้ดแต่ร okay. yeah. so okay. so right ุ่นพูดเลยเหรออ่าโอเคลาฟาเนี่ยมาครั <proposals> <sk> <ents fuerte S 2> ้งแรกเนี Laden ่ยแล้วนหยกล้าไอตาโปลหน่อยก่อนไอออนอูริเยนไอออนแม่งอยู่ทีมปูชิคหายหายตีแล้วเคยยังเพราะนั้นลาฟามาครั้งแรกเนี่ยมันติดวิดีโอทั้งหมดสิบแปดตัวกล้องนะติดรอบสนามเอ็นฟิลติดไปเพื่ออะไรจับจับผู้เล่นต่ละคนเลยเตี้ยวลอกๆเหมือนช้อนไล่ฟินลิดเฉยเป็นองหน้าไฮเย กรเคมีกันได้ย่คความคลายแค้ของแมทสตีมคือกาเคมีอ่ะทีพวกกระดาษเป็หลายติ้งแผนสายทวใช่ไแม่ขึ้นไปเรื่อยเลยแล้วท่านมาถามอาจารย์ว่าแล้วแม่กระจกถอดหมเวลาจากไปตุเมือเงี้ยติตตันดาอาจารย์นี้มาแล้วิบขายเลยดิอาจารสอนทั้งวิทยาศาสตร์ทอุตสาหะด้วยวิทยาจุลาก็สอนอุตสาลาสอนเด็กวิชาไม่เหมือนกันหมดนั่งฟังม อย่างว่ามายคุณเต็มที่อาจารย์ขอลืมใส่คูนสต็อก thank you แนทสตกย อ, อย่างนี้ไวายเองกับควายหายเลยเข้าใจแั่นดางอย่างนี้แบบเลิกได้แล้วเล้ ว, พวเพราะว่ายนที่สาสินที่อยู่ัสอนสาสินกันกนามันหมาสาธินอาจารย์มันจะเอียงขึ้นไปอย่างนี้พวกคุณอยู่บรอาจารย์แล้วไม่มีข้าม่านดังอย่างนี้ผู้หญิงเตินซึ่งห้องกูสอนเรื่องเลย สุดๆตุลิตตัวเองก็เลยหันหลังหลังตออแค่ไหนอะคงไมส่วนไม่ไหวหรือเปลอายุยี่สองบวกลบเนี่ยเดียจะตายใช่ไอ่นะลองปิงที่เธอไม่อยู่เธอไม่ได้ขาดนะเขาเขาจะสมใจฝันนะสองอย่ง อาจไม่เริ่มต่อเลยนะอันนี้มีแค่วมอมวมอมไม่ดูนะผมวมอมคณะการมการมันดูเรื่องดวงทําไมต้องเอาเรื่องดวงมาเกี่ยวข้องด้วยดวงคือสถิติอาจจะผิดแต่ดีกว่ากูไม่มเีอะไรจะเริ่มเลยใช่ไหมสมว่าอาจารย์อาจารย์วัดซูมก่อนไน้นี่หนุ่มกันยานะเดี๋ยวไปสักพักหนึ่งอาจารย์จะดีลิทบางส่วนออกมันจะให้กันยาร้อเปร์เซ็นก็ได้ก็ค่อยดีลิทออกดีลิทออกอย่างเงี้ยผมไัดซูมว่าเจ้านี่จะต้องม่วงเนี่ยจะผ่านหรือจะไม่ใช่ก็ได้ มันเป็นไอ้ของก็ได้พิ่ารณาพราแมงคอเลสเตอรอลสูงปี๊เลยก็ได้เดี๋ยวคุณช่างพิจารณาใหม่เป็นลายๆายไปจะไม่ซีบังเท้าจะไม่สนุกเตี้ยงแล้วมันต้องเปลี่ยนแผน่นใช่ไหมเปลี่ยนแผ่นบ่อยๆโอเชปิดเจ็บก็ต้องเปลี่ยนแผนครึ่งหลังก็ต้องเปลี่ยนแผนใช่ไหมครับตัวเปลี่ยนมาลงคนดีนานกระเพกเพกก็ต้องต้องเปลี่ยนแผนตอนนาทีที่แปดสิบเข้าใจยังดูบอลก็ถามจริงไปเจอถ้ายกตัวอย่างใหม่คุณุูบอลว่อเพาะไม่ดูนี่เป็นีัง วพราเพงดูเรองะไรบ้างวะเนี่ยชีวิตที่แม่ดูหายมากว่าทางห ล, งงล ว, ท ง, ว ง, งทางรัฐโคโรเจก็แลกตัวกันโคโรเจกโคโรเจกทไมม่ดทางหลวงทางรักหรอเอาคู้ไว้ใจละไรอยาน้รูป้ปล่แต่แค่ระทรวงกราโหมตัวอื่นเรียนได้ยังไงหลวจิตปรงเสียงปรุงอิงสอนยังไงครับตอนที่คิวมอตร์บุกเข้ามาที่วงังไต้ลี่ไอ้ี่วัดไต้ี่ พักเขียนเลงกชอบไอ้ไร <laughs> มึงตัวไม่อ่านพี่ถ้าพี่ของพี่ผมเดาละเอ้าาใหม่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฝึกกันใหม่ฝึกกันใหม่อย่างที่คุณแก่งคอยเนี่ยผู้คุณดูหนังกำลังภายในกับผมแหลกเลยดูเพื่ออะไรครับกลังภายในมันมีงานวิจัยออกมาว่าปังแม่คุณมีลูกมีลูกกันยังเด็กที่ดูหนังกาลังภายในตั้งแต่เล็กโตขึ้นจะเป็น หัวจะมียุทธศาสตร์มีนักวางนโดยเพราะงี้เด็กผู้หญิงห้ดูหนังกําลังภายในจะตายไงเด็กผู้หญิงรุ่นเดียวกันคุ้มข้องไงที่นี่จะลูกเล่นเยอะและมักในหัวที่สมหวังเพราะว่าหนังจีนนางเอกทุกคนต้องจับผู้ชายก่อนคุณยังไมันเคยเห็นไหมไอเวนแม่งรักผู้ชายก่อนแล้วมันก็สำเร็จด้วยนะ แล้วคนแรกมักจะโอกหักต้องคนที่สองตอนนี้ยังทันยังทันกันค <c oughs> รับก็มั น, น, นมีวิดีโอแล้วด <c oughs> ูหรืซื้อย้อนหลังมาดูเลยก็ได้แล้วสุดยอดซื้อวิดีโอคือก็ซื้อเป็นทีมคนนี้ซื้อซื้อใช่ย่าแล้วพร้มตัวเองเมือนได้ปะอะไรอย่างเงี้ยเป็นทีมได้ถ้าไห <c oughs> ลงครูมาเป็นขันสุดยอดจะเรียนรู้นะ เรียนรู้ได้กันไว้เป็นทีมพวกคุณต้องรักกันสิบเอ็ดคนคุณเนี่ยแม่สิบเ็ดเดนตายเนี่ยกับอสี่รุ่นล่วงหน้าเนี่ยใช่ใช่ไหมคุณพูกันเป็นอลัมไนที่พี่ก็ทำอะ่ะทีนี้จริงการแซลเล่นจริงมันเจ๋งเลยนะดูเซลล์พมึงสู้เข้าใจยังไอเกลดีหลายใส่เสื้อเงินกนะันเออเอประเรตก็ได้ังแมนเมนูนี่มอยู่คารวอร์เซนม่อยู่กววยูยิงได้เข้าใจยังดิ้นดเอเวอเรต อย่างที่ขายเพราะทั้งทีไม่จะเจ๊งมันรอให้คนมาซื้อตัวไม่ต้องเล่นสุดชีวิตของมันแล้วเพราะปีหน้าไม่อยู่ทั้งคนหนึ่งแล้วปีหน้าจะขายนี้ั้งทีเข้าใจอ่ะกลับาใหม่นะตกลงในวิชายุทธศาสตร์คุณต้องใช้แทบทุกเรื่องเลยคำหาอะไรก็แล้วแต่ที่ญี่ปุ่นไม่ข อ, อนแคลนดูเช็คแอคชั่นไม่ใช่คิดอย่างญี่ปุ่นแคลนขั้นตอนที่หนึ่งตั้งคณะกรรมการขั้นที่สประชุมวางแผนข้นสม ลงมือปฏิบัติสี่ตรวจติดตามผลก็ฮะประชุมทบทวนควายแร่งวางแผนยุทธศาตร์ด้วยจะมีเมียต้องมียุทธศาสตร์เปล่าไม่ใช่แม่งเจอหาแล้วคว้ามามันกะป้าเหรอหนอยเลยเข้าใจไหมจะมีผัวก็ต้องคิดนะที่ในหัวพวกคุณจะมียุทธศาสตร์ผียุทธศาสตร์ มียุทธศาสตร์แต่บ้านนะพี่โฮมเวิร์คก็เลยเเก่งยุทธศาสตร์ก่อนความยุทศาสตร์ไม่เป็นแม่งจบทุกเรื่องเลยคุณเฟลทุกเรื่องเลยวิชานี้ยุทยธศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวประมาณปีหน้าเนี่ยปีสี่แปดสี่เก้าพการศึกษาปฏิรูปสําเร็จแล้วเนี่ยผมอยู่ปฏิรูปกรศึกษานะอยู่กับตรลูกแก้วแดงเดี๋ยวือจะระบบเรียนใหม่วิชาที่ยุทศาสต ร, สตร์ต้องเป็นวิชาบังคับเรียนกันตั้งแต่ป .1 ครับเจ็ดตัดวางแนผนเด็กตัดวางแผน เางแดงชั่วน้ำแผ่นดินเลยไงยังวางแผนเลยสุดๆง่งโง่ตั้ห่าเฮยยังง่ายโง่งาเลยแผนคือต้ก็อ่ะสุดแรกอันแรกสุดยอดเลยนะสุดยอดวงแผนคืออย่าพึ่งวาก่อนมึงมึงต้องไปเรียนอยู่กับคนเจ๋งก่อนต้องมีปรมาจารย์ประกบเขาสําคักนึงยกตัวอย่างเช่นอ่าดูเรื่องชอยอังอคิลิสมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งใชไหมชื่ออะไรฝึกอยู่อคิลิสอยู่ เสือใจร้อนขโมยเสื้อกอกขโมยอะคิลิสไปถู้เฮกเตอร์แม่งฆ่าตายอีเวนเรียนไม่จบเสือกออกคุณดูก่อนแลวอคิลิสมันยืนสอนให้ฟังใช่ไหมพวกพวกปีกแม่งยี่เง่ายกทีมเไปใกล้กำแพงคอยพวกคอยพวกคอยแม่ใส่ทำรูเนี้ยไอเฮกเตอร์กับอะคิลิสแม่งพูดตรงกันเลยคอยคอยแต่ไอควายข้างล่างแม่งไม่คอยเข้าใจยังนี่ไงนี้คือยุทธศาสตร์ไงเฮกเตอร์แม่งเก่งอคิลิสแม่งเก่ง มันต้องมีการเรียนรู้คุณต้องประกบคนสําคัญอ่าจดข้อต่อมาเราจะใช้คําคมคุณต้องจดนะนะเรพูดคำคมเลี้ยกร น, น้อยสคนมากที่จะพูดคำคมนะเว้ย <laughs> ไม่คิดก็ตู้ว่าคํำคมอะไรเดี๋ยวก้จพูดไปเลยแต่พูดไม่รู้ว่านี่คือคําคมแล้วเวลาเรียนอุทยากรนเขาแยกให้ออกว่าสาระหลักเขาคืออะไรคําประกอบย่อยเขาคืออะไรและคําคมที่เขาใช้คืออะไรมัน น, น่าจะเป็นอุทยากรนเทพเฉลยเบื้องหลังกันถ่ายาทำอย่างนี้นู่นเข้าใจป่ะ อ่ะจดคำคมสำคัญนะมีอีกคมแล้ววะคมแรกเลยนะสุดยอดเรียนคือไองพู่ลอกแมงเรียนเป็นทีมใช่ไหมที่บอกพูดทั้งหมดภาษานณะคณุศาสตร์ก็เรียกว่าคีย์เวิร์ดจบเฉพาะคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดแปลว่าอะไรครับคำศัพท์อะไรนีห้ะแทคำว่าคำคมก็คือจงคบบัณฑิตคบบัณฑิตจดไป้คบบัณฑิต ลิขิตก่อนว่าแม่งอยู่หลังบ้านกูอยู่ผมถามคุณว่าตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยใครเป็นซื้อแตะคุณนั้งด้าชีวิตเอาเริ่มอย่างนี้เลยกันใครคือป ร, รมาจารย์สอนชีวิตคุณตั้งแต่แรกสอนจริงหรือเปล่าหรือท่านพยายามจะสอนแล้วมึงพยายามจะหนีมึงเก่งนี่นแต่แรกเลย แล้วพ่อสอนคุณเนี่ยไหนทำสอนอยูนะจอดไปได้ต่อเยเข้าหนยังเด็กแต่และคนที่เก่งออกมาได้ไม่มีฟุกเวยไม่มปนเรื่องของการวางแผนเรื่องของจอมวางแผนแล้วก็ษษยุทศาสตร์ทั้งหมดเลยแม่ไม่มีฟุกลูกเศรษฐีหลายคนเนี่ยเขาก็จะส่งมาให้เรียนกับคนสำคัญสำคัญในประเทศ คุณรู้จัก mm hmm. พวกธนาคารกรุงเทพ mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. คุณว่าลูกชายเขาควรจะอยู่ใคร mm hmm. งั้นนายแตงไทยพานิชคนปัจจุบันเนี่ย ด, ดรวิชิตจบวิศวะกลาเ ว, ว่แต่ไปต่อไฟแนนซ์เลยเขาคุณว่า mm hmm. เด็กวิศวะนะพอไปเรียนทางไฟแนนซ์แม่งง่ายใตหาอะไรกันพูดเอดอยวแม่งดร พวกมึงแย่เสือกโ ง, โมง่มเรียนพอต์เตอร์ทงวิศวะต่องโรงงานต่อไปจนตายหาเหมือนตัวคิดผิดคิด <C> ใหม่ทาใหม่คนพ่งนี้เนี่ยเขาจะส่งลูกหลานเขาไปประกอบกับดอ็อกเตอร์วิชิตให้ดอ็ดอกเตอร์วิชิตหายคอดหายคอดสิ่งที่สำคัญที่สุดนะจดไปนะในการเรียนรู้จดไว้ถ้ามันายากจริง การจับทางเลยล่ะไปให้ผูมูลสดร่วงแน่กูขีนให้ดีกัร <c oughs> พวกคนยังผคนยังไปไม่ถึงทัน้นเก็บประเด็นได้จริงๆสมรูมร่วมรั ง, งกำลัง่างกรุงได้ละครบไปเลยนะบานราลี <c oughs> <c oughs> ระหว่า ง, งพบปันดิตเนี่ยอย่าดูว่าเขาทำอะไรดูว่าทำอย่างไรดีกว่าแต่ดูว่าเขาคิดวงเล็บยึดประสาทอล็ก จัดลำดับไจัไดจัดลำดับความคิดหรือความสำคัญดีที่สุดทีว่าวิธีที่จะเรียนรู้รเขาผลิตเหมือนกันนะคุณจะต้องอยู่ใกล้ใครครับ คนเก่งไว้เสมอรอบตัวเนี่ยรอบตัวมีคนเก่งกว่าคุณนะเก้าสิบเ้าสิบเปอร์เซ็นของคนที่พบก็คือ อยู่ว่าคนเก่งเยอะนะอ่ะยกตัอวอย่างเช่นโนในกลุม่มนะู้เนี่ยใครเก่งสุดที่ครบอยู่ตอนเนี้ยอืมที่ครบอยู่ทุกันเนี่ยเออใครเก่งสุดเออเก่งด้านการทํางานใครเจ๋งสุดใครทํางานเจ๋งสุ ด, เ, สดเป็นไอเดียของ แมネเจอร์แมเนจเมนทที่ดีเขายางหายเจอถ้าไม่เจอถ้าจับคุณมาอยู่ทีมห่วยๆหลวงพีเมียรียังไงมึงก็ไม่รุู้รอบตัวมึงแม่มีแต่อาอ่อนใช่ย่างเราตองพัฒนาตัวคุณขึ้นมาเข้าใจไหมใช่ไหมคุณต้องพัฒนาตัวขึ้นมาสุดยอดของการพัฒนาตนใช่ไหมครับหาคนเก่งรอบตัวไว้หาผู้รู้จริงหาผู้ที่เก่งครบเตาไม่ได้นะ ตอนตอนผมาอายุสามสิบเพื่อนผมาอายุเฉลี่ยห้าสิบบางวันไปบ้านเพื่อนเว่ยกด อ, อดบ้านจําได้ไอจิ๊บแม่จบวิศวะไฟฟ้ากดหาแม่ติ้งนอง้องไอจิ๊บแม่ดีใจว่าระคัดไม่เยี่ยมผมเหรือไม่ใช่พ่อมึงอยู่ว่าผมคุยกับพ่อมึงเท่ไหร่อผะพ่อไมเอ่เป็นพอเป็นผู้มีการใช่ไหมเก่งขนาดจัดการเรื่อนคนพ่อเป็นหมอเว้ย วิธีคิดของหมอที่เป็นขอออย น, น่าสนใจมากแกจัดการเรื่องคนได้ไงแกทําเรื่องนี้ได้ไงเรื่องนุ้นนี้ได้ไงแกยังคุยกับพ่อแล้วสุดยอดคิดคือไม่ต้องคิดเมื่อปัญหาเนะี่ไปถามแต่เข้าใจไหมครับว่าบางบริษัทเนี่ยทำไมเขาต้องถามว่าคุณจบคณะอะไรจบมหาอะไรอะไรทําไมทําไมเขาต้องถามถูกต้อง ดูคอนเนคชั่นวผมจ้างคุณมาตอนที่ผมสอบสัมภาษณ์คุณมาเนี่ยนะผมถามชิบหายเลยนะคุณคบใครอยู่คุณประสบว่าคุณหน่อยเป็นเด็กเกียรติยมเก่งชิบหายเลยนะเพื่อนมึงก็ไม่ค่อยมีมึงทำ R d ไปแล้วกันแล้วกูก็ไม่อยากได้มึงเท่าไหร่เพราะคนอย่างมึงแม่งจะหมไปในห้องแลบและดื้อสุดท้ายแน่งเถียงกูําคานอะไกูต้อางอารคนที่แมงมีคอนเนคชั่นเยอะๆคนที่คบคนเยอะๆในการสอบสัมภาษณ์สมัยใหม่หมฝ่ายเุคคลก็ทำไงดีครับ อาจารย์จะสอบขอบุณนะเพื่อนดีซีที่สุดเลยเวลาปรึกษางานสามคนเอาเบอร์มือถือไปกูคุ ย, ยพวกแม่งเองเอาไว้เพื่อน <_ d _> มุงแม่งยิงงอวบกูก็แม่งมึงัน่น่ะใจานนี่หนาเจ่งของมึงเยนะสามคนนีฟ้ฟ้าเลยเ <_ d _> ข, ข้าใจวิธีคิดนะมวิธีคิดไหตอนนี้คุณยังหนุ่มยังแน่นอยู่นะหัดคบบัณฑิตบ้างนี่คือหนึ่งในมงคลสามสิบปด มันดิบที่น่าคบมากๆนะก็คือครูบาอาจารย์เก่าๆค่ณคุณยังมีอยู่หรือเปล่าเสือกจบมาแล้วหายตัวรดเลยพระแถวเนี้ยเจง๋งๆมีหรือเปล่าไปไปยังมาอับจันทร์ไปยังเจอหลวงปู่หลวงพ่ออยังเวรผมบางคนได้ยิ่งอ้วนแม่งตีคอฟตีคอฟทั้งวันเลยถามมันตีทาหาเลยคอนเน็กชันเลยถ้ามีปัญหากูจะได้ใช้คนเมืเ่อไรคุยกับผู้ทานายกับู ท, าาทาหารตำรวจต่างๆ อยู่มาวันหนึ่งแม่งมีปัญหามันก็เลยกลับไปหาหคนที่ตีกอล์ฟกับมันอันนี้ส่วนปีก ย, อยนน่อยได้นเลยที่ตัวอย่างก็อย่าแย้งด้วยต้องแย่อนอนด้วยปรากฏว่าเข้าไปหาเสร็จปั๊บใช่ไหมครับพี่ๆครับนีออ่อายการนะที่ครับผมเดือดร้อนครับขอความช่อเหลือที่ถ้าตีกอล์ฟกับมาห้าปีเนี่ยนะพี่หวังอะไรรู้ไหมน้องๆกอล์ฟเล่นกับสวนเล่นนะน้องธ <c oughs> ุรกิจเป็เรื่องหนึ่งเขาเลิกคบเขาเลิกคบมันเลย เขไม่จริงใจในึงวิธีก็คบคุยใหญ่คุยใหญ่แล้วรู้ว่าควายอย่างมึงแม่คบเขาเาเลยว่าแม่งเซอร์ของผมของผมจะสอนให้วิธีที่เจ๋งที่สุดเลยก็คือผมคบเหมืองปู่ที่จังดังในประเทศไทยไ 1, 2, มมว้หนึ่งสองสามองค์ึงองค์ไม่พอมึงคบหลวงปู่ไว้หังดังยนะมึงมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนฝูงของแม่งอยากเป็นผู้ว่ามันไม่ได้เป็นผู้ว่าจังหวัดมันแนแล้วแม่งกพยายามหาคอนเนคชั่นไม่เวิร์ ง่ายหามึงก็ไปบอกหลวงพ่อถ huh. ูกไหมแล้วมาวันหนึ่งผู้ยิ่งใหญ่ถหงรัฐบาลไทยแม่มาไหว้หลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยบอกว่ามีคนดีคนนึงให้เป็นผู้ว่าเข้าใจยังมึงครบคนเดียวครหลวปู่ให้เจ๋งๆใ้คนเดียวแต่ถึงหลวงปู่ประเ่ศกู้ราชกาผู้ใหญ่ขึ้นอยู่ที่ไหนวะต้องคไม่ได้วัดใจน้อยนรสวรรค์แล้วมึงแกล้งต่ำสีกากันโดยเล็โดยเล็กวิธีคิดแต่วิธีคิด เราใช้ยุทธศาสตรสต์ว่าใช้ยุทธศาสตรสต์ว่าในแบบยุทธศาสตรสต์หมดเลยขบบัณฑิตขบัณฑิตบัณฑิตมีหลายทางด้วหนูที่หนูบอกใช่ไหมเก่งหลายทางใช่ไหมเอาวางแผนด้วยาวางแผนจำให้ดีด้วยพมอครั้ ง, งอาจารย์สอนอะไรไปแล้วเนี่ยคุณต้องกลับไปย่อยนะอ ย, อ, ย อ, ยอย่าฟังผมอย่างเดียวนะต้องกลับไปนั่งคิดนั่งคิดแบบมาทําคมนะนี่ไม่ได้สอนนะเนี่ยคือจะมองแรกผมไม่ไสอนนะผมปูพรมก่อนเลยนะเวอย่างกําลังคนเรียนก่อน ย่าค่อยวางแผนใหม่อ่าเรื่องที่สองอย่าดูว่าพวกเขาทำอะไรอย่าดูว่าเขาทำวดัดรกตัวอย่างเช่นนายกภกษีนเนี่ยอย่าไปดูว่ามันทำอะไรไม่พอต้องดูมันทำอะไรครับดูฮาวฮาวพอไหมสุดท้ายดูเลยครับอ่าตัวนี้ มีเ e อสเพราะม่ามีหลายาอิทธิศากทักษิณเนี่ยถ้าไม่ได้เมีเอคนนี้นะป่า น, นี้มาไม่ถึงตรงนี้แต่เด็กเพืนลอกส้นกำแพงเว้ยว่าฟ้าน้องมันกตโกรกพขาเข้าใจวิธีคิดป่ะเมียก็สำคัญนะถ้าจะมีเมียโง่โง่จนๆนละ้วมึงอย่ามีแคอย่างมึงยอมอยู่คนเดียวสวยมึงไวท้ทีหลังเชื่อกูสวยเอาไว้ก่อน พรตอนแม่งสามสิบขึ้นนะแม่งโสมเข้ากันไนะอ้ทุกง แ, แม่งเหมือนกันหมดเหมือนไงหมดแลเหมือนไงแหละสวยไม่สวยนะมึงดูที่ไหนครับ <c oughs> นี่นะนี่ไงนี่ไงเรอจะสอนเรื่องนี้เราจะระดับความคิดความสําคัญคุณแค่รนดับหนึ่งไงถ้าคุณโง่เหมือนเจ้าชายปารี س, สนหนังเรื่องชอยแม่งเลือกคนสวยจริงมันมีเทปีสามคนมาขอ ให้ตัดสินว่าใครสวยที่สุดเคพีคนแรกใช่ั้มมาบอกว่ า, าจะให้เป็นกษัตริย์ที่เก่งที่สุดเฮล่าทีวีเฮ่าเมียของซิลสคนที่สองเป็นเคพีอะตินาจะให้ตันยาวเว้ยให้มึงฉลาดที่สุดคนที่สามมาโฟไดหรือวีนัสแม่ก็ บ, บอกว่าให้ให้ผู้หญิงสวยที่สุดเป็นเมียเจ้าชายปารตสแร่งคนโง่หรืองเลือกแค่อำนาจสมอง เมียสวยปาลีเซ็เนี่ยเมีสวยไอออนยุ่ง ย, <c oughs> ยิบหายเลยเขาอ่งเรื่องอะไรครับปัญญาหรือเมียฉลาดหรือก่อนโขงเบ้งเน่ะเมียหน้าเหมือนส้นตีนเขายังแต่สุดท้ายตัวสี่สิบขึ้นนะยี่สวยก็ส้นตีนเช่นกันมึงเขายังกันเป็นตอนสี่สิบส้นตีนเหมือนกันหมดแต่พอถ้าสมองไม่เท่ากัน อีส้นตีนที่ฉลาดจะพูดจาได้ดีกว่าใช่ไหมครับอีที่มึงว่าสวยเนี่ยพอปเป็นส้นตีนตอนสี่สิบปากแม่งหมาด้วยนรกแม่งช่าหเนี้ยมึงได้ควายมาตัวหนึ่งเลยคิดดีๆคิดดีๆแต่ถ้าสวยด้วยฉลาดด้วยคงถึงมือมึงหรอกอ เ, เขาคงเอาไปหรอ เ, เขาก็ไปฟาบรุ่นพี่ดิบเหนือกว่าเขาเลย นี่มีอ ย, อย่างอึ้งย้งง่ายๆหรืออึ้งย้งแบบน้อยโอเคนะครับเคยดูไปว่าแต่ละคนเขาคิดอะไรดูเสร็จปั๊บคุณต้องทำเลยครับทำอภิสิทธิ์พรชิตา benchmark ร, รู้จักไหมอภิสิทธิ์พรชิตาเนี่ยนะแปลหลังเป็นหน้า <c oughs> ไอ้เข้าใจอย่างว่าทําไมฝ่ายบุคคลเนี่ยเวลาสอบสัมภาษณ์เขาให้ถามคุณก่อนเลยว่าใครคือบุคคลในอุดมคติทําไมมยูเสื้อปูดําได้แ บ, บแ่าเหราสัมภาษณ์คุณเนะอ่ยแรกๆเลยถามคุณทำากอะไรถามทำไมเรื่องหลังการให้ทามทำไมเจ้านายเราพี่ปูต้องตั้งคําถามแบบนี้ดูแค่มื่อเกิดมาทำํำซากอะไรก็คือเขขอดูเลยครับดูวิสัยทัศ สัญญาแล้วตอนแหลหลอกล่อจะได้มาใช่ไหมแต่ตรงนี้ไม่ได้แล้วนว้ยมีวิชั่นเดี๋ยวสุดท้ายพวกคุณต้องทำอะไรรู้ไหมทำพอร์ตฟลีโอมาให้อ่านหน่อยเว้ยในพอร์ตฟลีโอใยรุ่นพวกนี้วิสัยทัศน์เบนชมาร์กของคนในอุดมคติคู่นี้มันต้องไปด้วยกันวิสัยทัศน์กับคนที่คุณเลือกมานะครับ เนี่ยไปดิการคู่เนี้ย